จะส่งกันบ้านเชิญไหนนี่แหละว่าไงว่าไปฏิบัติตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อเวลาฝนตกสายอะไรเนี่ยก็กำหนดหาประเด็นก็เจอในซีดีหมดในมือถือก็ผิดมาตลอดสองเดือนผิดเรื่อยๆเลยครั้งสุดท้ายเมื่อ้าวันก่อนก็รู้ว่าเวลาจะติเกิดเนี่ยมันมีการพิจารณาด้วย มันไม่ใช่สติแท้ก็เลยปฏิบัติใหม่แค่ห้าวันวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเนี่ยนะก็จะมาเซ็นทำเพราะว่าทำถูกไม่ไงครับสติตัวจริงนะไม่ได้เจตนาให้เกิดสติตัวจริงเนี่ยมันเกิดเพราะมันมีเหตุมันเกิดเองเหตุมันก็คือใจเราจําสภาวะได้พอสภาวะเกิดสติก็เกิดถ้ามีความจงใจเจือสักนิดเดียวก็ผิดละแต่ของคุณต้อง นั่งสบายๆก่อนนะตอนนี้มันไม่ปกติตั้งใจฟังรู้สึกไหมเดี๋ยวนั่งเล่นๆไปก่อนะลเป็นไงมันเป็นยังไงก็ค่อยๆรู้มันใจก็ค่อยๆมีแรงขึ้นมานลดีแล้วเสร็จสลุมบอลสร้างวัดหมดแรงแต่ถ้าจับหลักแม่นนะมันไม่มีอะไรน่ากลัว แทจริงถึงจะทำหรือจะทําไม่ทำนะมันก็เสื่อมมันมีธรรมชาติที่ต้องเสื่อมนี่พอมันเสื่อมเราตกใจนะก็จะเสียถ้ า, าไม่ตกใจนะใจเป็นกลาง ม, มันขึ้นมาเลยก็นะจะง่ายง่ายไม่มีอะไรยากอย่างใจเราพอมันไม่มีกำลังมันจะอระคองจะประองเพราะแรงมันไม่อพอเพราะแรงพองมันก็ไม่ต้องประคอง ธรรมดาคุณยายเป็นไงคุณยายืคายเก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกไม่เที่ยงทั้งสิ่งไหนที่อยากให้เข้ามาจะเข้ามาก็จะสลัดทิ้งลัแล้วสลัดอ๋ออย่าเป็นสลัดสลัดไม่ออกนะอถ้ารู้สักว้ารู้เนี่ยจะหลุดเลยแต่ถ้าพยายามสลัดเนี่ยจะไม่ออก โทสะมันเกิดให้ดูโทสะจะมาชี้โมโหวา ย, ยุางนะอีกนะออนนี้เป็นคนดูมากชี้โมโ ห, โหใครมโยเยอะไรนี่ไม่ได้ครับภาวนารู้เท่ารู้ทันนะใจมันสบายมันมีความสุขถ้าจิตใจเรามีความสุขนะมันจะไม่มีโทสะนะโทสะมันตามความทุกข์มา นี่พเรามีสติใจเรามีความสุขมูก็ไม่ค่อยโมโหของคุณรู้สึกไหมคุณปรับของไว้นิดนึงนะเออตรงนี้ที่ยังคลาดเคลื่อนอยูนะ่มันจงใจรักษาจงใจปรับของไว้ดูออกไหมตรงนีนะ้ตรงที่ยังคลาดเคลื่อนอยูนะ่อาจจะมาประคองตอนอยู่หน้าหลวงพ่อก็ได้เ้มันตึงเส้ น, นนะต้องทำให้สบายนะสบายสบายทเหมือนธรรมดาเลย ในการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติในรูปแบบพร้อมๆกันวางฟอมปฏิบัตินะไม่ใช่ของจริงอ่ะเวลาปฏิบัติจริงๆนะตามองเห็นรอ้ได้ยินอยู่ในชีวิตธรรมดาเนทํยทำง่ายให้คอยรู้สองอันนะหนึ่งใจเราเผลอไปหนึ่งเราบังคับไว้ของคุณรู้จักบังคับแล้วใช่ไหมอย่างตอนนี้บังคับใช่ไหมดูออกไหมอออย่างนี้ไม่มีปัญหาทาได้ละใช้ได้ อให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นจริงๆก็ใช้ได้แล้วนะดีละนี่ละนี่หละมีอะไรอีกไหมครับแล้วลวันวนี้ล่ะก ล, ล, ลุ่มใจไม่ต้องมาวัดเรื่อยๆเนี่ยเป็นหลวงพ่อกลุ้มใจตายเลยเป็นหลวงตากลุ้มใจตายเลยแต่ก่อนหลวงตาก็ไปวัดทุกวันเลยนะหลวงตาไปวัดตั้งแต่อายุยังไม่ได้กวบหนึ่ง แม่ก็อุ้มไปทุกวันทุกวันเลยนะอุ้มไปฟังเทศที่วัดโผ่ให้ไปนอนอะ่ะแต่มาโตขึ้นหน่อยไปวิ่งเล่นในวัดไม่เหมือนเด น, นี้นะไม่มีที่ให้เล่นเด็กต้องมานั่งทรามานน่าสงสา <c oughs> เรเลยดวกไหมใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วดูเป็นดูเป็นดีหน้าใคร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 แต่ว่าจิตที่มันเสื่อมนี่นะทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติอยู่ก็เสื่อมได้ถ้าไม่ปฏิบัตินั่นก็เสื่อมแน่นอนแหละแต่ว่าเราต้องปฏิบัตินะแล้วก็เห็นว่าเออช่วงนี้สติดีสติเกิดบ่อยอีกช่วงน่งไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านอย่างเดียวทั้งๆ ท, ที่ทําเหมือนกันทุกวันภาคเพียรเต็มที่แล้วะมันก็ยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ถึงจะดีแต่ถ้าช่วงไหนปฏิบัติขยันปฏิบัติแล้วสติเกิดบ่อย นนี้มันเรื่องธรรมดาช่วงไหนไม่ปฏิบัติสติไม่เกิดเลยใจฟุ้งซ่านนี่ก็เรื่องปกติธรรมดาไม่ได้ให้อะไรเราหน้าที่เราต้องทําต่อเนื่องทําสม่ำเสมอทุกวันทุกวันไม่ละเลยนะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเดินจงกรมนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจําวันี่เฝึกอะไรทั้งๆที่ทําเหมือนกันทุกวันแต่ผลออกมาไม่เท่ากันมันจะเริ่มให้เราเห็นว่ามันมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น มีการบังคับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างหลวงพ่อ ข, ขยันดูทุกวันนะเพื่อจเจอหลวงปู่ดูนะี่ดูจิตทุกวันเลยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะบางวันกิเลสเยอะแยะเลยบางวันสงบสุขแหมสบายเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นเลยนะแต่ว่าทําอยู่ทุกวันนะ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 อยูสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะลุกไปห้องน้ําเดินไปห้องน้ําตอนลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เดินไปห้องน้ําเนี่ยจิตใจกำลังวุ่นวายคิดงานมาหมกมุ่นมากดูจิตไม่ออกสลวงพ่อเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําตอนเดินจับจากห้องน้ําเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละเมื่เรามีการเว้นบักให้ตัวเองหัวหนักกองอยังรู้สึกหลวงพ่อเนี่ไปห้องน้ําบ่อย <c oughs> <c oughs> นี่ด้วยเราแอบไปภาวนา เราเบรกตัวเองเบกปรากฏว่าไองานที่กําลังคิดไม่ออกนะพอเบรกตัวเองสักนิดหนึ่งคิดออกกับดีกว่าเก่าอีกงั้นเวลาหลวงพอทํางานเนี่ยจะทําสบายๆอย่างเราอ่านข้อมูลศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยหลงพ่อไม่ร่างนะหลวงพอจะนั่งที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ออกมาเลยบงทีผู้ใหญ่ก็ามารอ ย, ยืนล้อมโต๊ะนะรอเซ็นเพื <laughs> <laughs> ่อเพิ่มไรงกดดันให้เราอยุด ฉะนั้นเราเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละแต่เราฉลาดนิด น, นึงรู้จักเว้นวักให้ตัวเองบ้างหรือตอนเราทำงานเหนื่อยๆนื่อยยกแก้วน้ำยกน้ำชาขึ้นจิบยกกาแฟขึ้นดื่มอะไรเงี้ยตรงเนี้ยรู้สึกไปเลยนาทีหนึ่งสองนาทีไม่ทิ้งมันเป็นคราวาสนะเวลาส่วนใหญ่ต้องเอาไปยุ่งกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนี่คิดสารพัดนะ งั้นเวลาเล็กๆน้อยๆ น, นาทีสองนาทีก็ใช้ประโยชน์มันใช้ได้ละสกิจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงรู้สึกไหม ค, ค่อยๆมีแรงขึ้นน่อยอ้าวอาจารย์ตูเป็นไงอะไรนะเอออาจารย์ปูสองคนนี้เรียกผิดกันเลยเลยนะ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 เราลดความยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองลงบ้างยังรู้ให้เยอะนะตรงเนี้แล้วเรายึดถือความคิดความเห็นเยอะเราทุบเยอะแล้วมันแกขัดแย้งเยอะถ้าเรารู้ตรงนี้นะใจเราทรายความยึดในความคิดความเห็นของเรานะจะมีความสุขมากขึ้นอีกภาวนาล้วจะได้มีความสุขเยอะๆเราครดูตัวเรานะ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 มันอยู่คนละคนคิดนะแล้วความคิดมนจะไปอยู่ห่างๆแล้วผมงโยะหลงไปเลยใจไหลแว บ, บไปเลย <c oughs> โยะก็ดีแล้วละ่ะดูไปเรื่อยๆดีละใช้ได้ละสมพงบังคับไว้ทราบไหม <c oughs> นะยังผักของอยู่ก็รู้ทันมันหนะ้าที่ของเรารู้ทันความปรุงแต่งนะไม่ใช่ไปช่วยมันปรุงแต่ง งจิตเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันปรุงแต่งเราก็รู้ทันมันเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งว่าทันยังไงจะละอกุศลได้ให้รู้ลูกเดียวเลยรู้ไปขอบคุณกบคุณสุนันต์ตรงกันบ้านอืมไม่แน่ใจรู้ว่ า, ามไม่แน่ใจนะรู้โลปัจจุบันไป ใช่นะค่อยๆสังเกตเอาเองสัมมาภาวนานะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรียนนะแล้วก็ออกมาเลยเรียนแล้วก็ออกมาอาศัยความสังเกตเอาสังเกตเอาเคยที่ไปอยู่กับท่านแบบค้างวันค้างคืนก็เกิดกะหลงกูเทศนะกะหลงกูดุลไม่เคยกะหลงกูเทศก็ไปอยู่กุติติดกับท่านเลนะยเข้าไปทันทีท่านให้อยู่กุติเก่าท่าน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 อยู่ใตล้ครูบาอาจารยก็ไม่ค่อยดีหรอกมันเคยชินแต่พออยู่ห่างๆเนี่ยแล้วเราพยายามช่วยตัวเองเนี่ยเราแกล่งนะที่คุณสุนนั้นเป็นไงคุณสุนนั้นต์เหนือนใจไม่ถึง อ, อีกเหรอ <c oughs> มันเป็นไงใจไม่ถึงอ๋ อ, อ, อดีใช้ใต้มองเห็นใช้ได้ละนะพอเป็นไงบ้าง น่ใช้ได้แล้วรู้แล้วละ่ะพอเรารู้อย่างพอมันรู้ทันนะจิตไปรู้อารมณ์อะความยินดีแทรกเข้ามาเราเห็นอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีละแล้วก็ก้าวหน้าเ น, นี่ยเหนียเมริกาก็ทําได้เนา ะ, <c oughs> ะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วดีลแล้วเราเ่ อ, อน่นอนสมโงอทที่ผ่านมามีวันนึงิเือคือคือ บ, บไม่เหมือนกันบรวกับมก็รู้ว่าโอเคอันนี้คือดแล้วต้อกลับมาอย่าดึงก็แล้วกันนะมันยังติดการประคองอยู่อีกหน่อยยังไม่หมดดูออกไหมดีดีที่เห็น เม่แปกไม่ไม่ผิดปกติเป็นธรรมดาเป็นองนั้นแหะไอ้ติ่ใจมันคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนะยกเว้นตอนลงผวังถ้ามาลงผวังก็ไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ชอบขึ้นมารับอารมณ์อ่ะตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยดีนักเลยคิดสเปะส ป, ปะมีครูบาอาจารย์ชอบพอนอนพอแล้วให้รีบลุกซะอย่ไปนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ดีครึ่งหลับครึ่งตื่นใจอ่อนแอ S 1> <S 1> <S สูตรวัดป่าตื่นกันตีสามมาตรฐานตีสามวัดหลวงพ่ะบางตีสองหรือตีหนึ่งครึ่งทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรามมาให้รู้ทันนะตามรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้ล ะ, ะส่งกันบ้านโอ้ดีขึ้นเยอะเลย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 จะเบาเทำถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วรู้สึกหนักแสดงว่าเราเข้าไปบังคับแล้วเข้าไปควบคุมไปแทรกแซงเระนั้นใจที่เป็นกุศลมันจะเบาเาสบายใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีขึ้นแล้วละ่ลวละคุณนั่นแหละงงรู้ว่างง <c oughs> ออสับสนให้รู้ว่ากำลังสับสนอยู่สับสนเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวหนึ่ง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 เก่งมากเลย ด, ด า, ลายไลจะสงแถวเคยมาไหมคุณผู้หญิงถัดไนนะเปเ น, น, นี่ย เ, <ะ>เห็นกิเลสบ่อยไหมเวลากิเลสเกิดเนี่ยรู้ทันใหมขึ้นไหมไม่เป็นไรมันธรรมดามต้องหลุดบ้างอะนะแต่หลุดอย่าไปตีใครเขานะ <c oughs>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 เป็นตลาวาาก็ต้องมีว like ิธีพักผ่อนหนึ่งงานมากก็พ uh ัก huh. ผ่อนอย่างนี้แหละจิดรวมลงไปแวบหนึ่งขึ้นมาก็สบายก็บางทีที่จที่เน่มาตัวรู้ยจะอะไรนะตัวรู้กับสิ่งทีวมเนียเออ้ันแยกก็รู้นะมันไปรวมกันก็รู้นะค่อยฝึกไปเราจะเห็นเลยขันห้ามจะกระจายตัวออก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 ก็เหลือใจเป็นนามธรรมาถ้าคนไหนชอบมากๆเลยทั้งรูปทั้งนามเยอะๆท่านสอนเรื่องธาตุธนะาตุสิบแปดมีทั้งรูปทั้งนามเยอะแยะเลยนะแล้วแต่จดิณิสัยคนนะเรื่องธาตุเรียนยากนะธาตุเพราะธาตุมีเยอะถ้าเรียนขันห้าก็ง่ายหน่อยนะขันห้านี่เรียนขันห้าเหมาะ ก, ก, กับพวกที่ชอบดูนามธรรมเหมาะ ก, กับคนคิดมากัน มันชิ้นมากทํางานด้วยใจไม่ได้ทํางานด้วยเรียวแรงไม่ได้เอากําลังกายไปทํางานเน่ยเอาสมองไปทํางานเอาความคิดเอากําลังใจไปทํางานเน่ยพวกปัญญาชนพวกคนเมืองอะไรเงี้ยเหมาะที่จะรู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะเห็นในกายนี้ของถูกรู้ถูกดูเนี่ยเราไม่ไปยแยกแยะที่กายละนี่บางคนเป็นพวกตันหารจริตพว ก, ร, กรักในความสวยความงามความสุขสบาย ต้องแยกกายเยอะๆแยกกายเยอะๆกระจายกายออกไปีกแล้วแต่จริตนิสัยนะบางคนทำนี้ๆหน่อยๆรู้หยาบอยาบก็ตัดละบางคนต้องรู้ละเอียดถึงจะตัดเพราะว่าอยากมีปัญญาเยอะ ๆ, ๆบางคนนะพิณาไม่ได้พิณาหมายถึงปฏิบัติเนจิตมันพิจนาอริยสัจเดี๋ยวก็เข้าแง่มุมนั้นเดี๋ยวก็มุมนี้ไปเรื่อยเลยนะแล้วมันไม่ตัดออกมันรู้สึกไม่พอ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 ยังมีอยู่หน่อยๆเนอะยังบังคับอยู่าาอ๋อมันเป็นตอนหน้าหลวงพ่อนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเยอะนะคนในโลกเนี้ยเยอะไม่โลกติดต่อได้ <c oughs> <c oughs> ดีแอืดอัดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวออกไปแล้วมันพอดีตรงนี้มันตึงขึ้นมานิดหนึ่งออกไปแล้วมันพอดี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 โอดีนะเห็นกิเลสนะดีแนะ้ะถ้าเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะไม่ค่อยพลาดนะถ้าภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเลยนะสาหัสเลยอาการแก้ยากที่สุดเลย <c oughs> บางท่านนะรู้ว่าผิดนะรู้ว่าผิดมีพระมาหาหลวงพ่อมันไม่กี่วันเนี่ยท่านดูจิตอยู่ดูดูลาดุดูปุ๊บออกมาสว่างว่างอยู่อย่างนะั้นนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะเข้ามาอยู่ช่องนี้เลย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 นะพอใจอเรื่องจิตเรื่องใจห้ามกันไม่ได้นะใครจะเดิน ย, ดดดดนะ ย, ยังไงก็ได้โอ้ดูหลวงพ่อใจดีนะใครยังไงก็ได้ใครจะเป็นนรกก่อนหลวงพ่อยังไม่ว่าเลยเพราะบางคนต้องให้นรกสอนนะคนอื่นสอนไม่ไหวผููบาอาจารย์สอนไม่ไหวต้องให้ความทุกข์นี่แหละเชี่ยวกรำ ม, มากๆแสนสาหัสก่อนใจถึงจะค่อยๆ ค, ค, คลายความยึดถือนะอ้าวสองเป็นไง ห้างหมดเวลาพอดีที่สองนี่แหละเดี๋ยวพอรอบสองก็นั่งคนกันใหม่แล้วก็อปไล่ไปถูกแล้ว <c oughs>